ข้อสามหน้ายี่สิบสามวันนี้หน้ายี่สิบสามข้อสามตัทยาวิพัฒน์ในอัดเหตุให้แปลตัทยาวิพัฒน์ทุกตัวที่อยู่ในอุทัยหอนต่อไปนี้เป็นคําแปลว่าเพราะเพราะเหตุนี่แปลว่าเพราะในวิพัฒน์ทั้งหมดมีวิพัฒน์ที่แสดงอัดเหตุอยู่กี่วิพัฒน์ที่เ ร, เรียนมาเนี่ยฮะตัทยาปัญจมีสตมี ตาิยาก็ด้วยโดยอันตามเพราะเห็นไหมจะมีคําว่าเพราะอยู่ปัญจะมีละ่ะแต่จากกว่าเหตุเห็นไหมก็จะมีเหตุเนี่ยก็คือเพราะละ่ะแล้วสัตมีละ่ะในใกล้ที่ครั้งเมื่อในเพราะเห็นไหมเนี่ยในเพราะนี่แหละมันจะเป็นเหตุดังนั้นในวิพัฒน์ทั้งหมด7หมวดเนี่ยมีอยู่3าหมวดที่แสดงอัดเหตุได้คือตติยาปัญจะมีและสัตมีที่แปลว่าเพราะ นั้นตติยาวิพันธ์เราก็แปลอัดเหตุว่าเพราะดูตัวอย่างตวังอาวุโสเกณะวัสสิตวังอาวุโสอาวุโสผู้มีอายุตวังท่านวาสาสัสสิย่อมอยู่เกณ ะ, ะ, ะเพราะอะไรกิงสแปลว่าอะไรเกณะเพราะอะไรท่านอยู่เพราะอะไรก็คือทําอะไรทําให้ท่านอยู่ได้ ท่านอยู่ได้เพราะอะไรจะอยู่ตรงไหนก็ช่างนั่งอยู่นอนอยู่คำว่าอยู่ในที่นี้คือมีชีวิตอยู่ท่านมีชีวิตอยู่ท่านยังเป็นอยู่ได้เนี่ยเพราะอะไรข้อ2เป็นคําตอบอะหังพันเตอันเนนะวสามิอะหังพันเตก็พันเตข้าแต่ท่านผู้เจริญหรือว่าท่านผู้เจริญอะหังขปเจ้าวสามิ ย่อมอยู่หรือว่าอยู่ได้อันเนนนะเพราะสิครับด้วยไม่ได้ครับเพราะข้าวถ้าอยู่ด้วยข้าวนะครับท่านกําลังฉันข้าวอยู่เมื่อไหร่ท่านก็อยู่ท่านท่านเลิกฉันข้าวท่านก็ตายครับถ้าอยู่ด้วยข้าวนะอย่างสูงว่าทํางานด้วยมือเนี่ยในขณะที่ทํางานมือทําอยู่จึงเรียก ว, ว่าทำถ้ามือหยุดมันก็ชื่อว่าหยุดทําใช่ไหมครับอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยอยู่ได้เพราะข้าวก็คือฉันข้าวเมื่อหนึ่งอยู่ได้เจดวันนะ แต่ถ้าอยู่ได้ด้วยข้าวแสดงว่าขณะที่กินอยู่นั่นนะอยู่ได้ถ้าวางคำข้าวก็ตายดัง <laughs> นั้นต้องแปลว่าเพราะเขาแปลว่าด้วยไม่ได้ครับว่าสามิย่อมอยู่หรือว่าอยู่ได้อันเนนะเพราะข้าวอยู่ได้เพราะข้าวก็เหมือนกับสามเณรปัญหานะ่ะเอโกนามากิงเคยได้ยินไหมเอโกนามากิงเอายังก็มี ใช่สเพสตาอาหารรัตทิติกานั่นแหละอยู่ได้เพราะข้าวสเพสตาสัตว์ทั้งหลายอาหารรัตทิติกาดํารงอยู่ได้เพราะข้าวําเดียวกันอันเนี้ยอันเนนะอันนั้นอาหา ร, ระอันนี้อันเนนะข้อสตวังอาวุโสเกณะโคคังรักภาษีเอแปรอาวุโสผู้มีอายุตวังท่าน ละภาษีย่อมได้ละภาษีย่อมได้โภคังซึ่งทรัพซึ่งสมบัติซึ่งพวกขทรัพเกณ ะ, ะเกณะเพราะอะไรผู้มีอายุท่านได้โภกขทรัพเพราะอะไรดัานท่านได้โภคสมบัติเพราะอะไรข้อสเป็นคำตอบ อหังพันเตทานเนนะโพคังลภามิพันเ ต, นเตท่านผู้จเจริญอหารข้าพเจ้าละพามิย่อมได้โภคังซึ่งโพคสมบัติทานเนนะพเพราะการให้ทานได้โพคสมบัติเพราะการให้ทาน ธางนน่าเป็นอัตเหตุเพราะต่อไปข้อ5มนุษษาอาวุโสเกณะสุขังละพันติอาวุโสผู้มีอายุมนุษษามนุษย์ทั้งหลายละพันติย่อมได้สุขขังซึ่งความสุข เกนะเพราะอาไะอไรข้อหกเป็นคำตอบมนุษษาพันเตสีเลนะสุขขังละพันติพันเตท่านผู้จเจริญมนุษษามนุษย์ทั้งหลายละพันติย่อมได้สุขขังซึ่งความสุขสีเลนะเพระาะศีล สีเลนะเพราะศีลศีลทําให้มีความสุขเพราะไม่เบียดเบียนใครแล้วจิตก็สุขสบายอาถรรพ์ปลอดโปรง่งถ้าคิดจะเบียดเบียนคุกคามอยู่จิตก็เป็นทุกข์ยากลําบากหดหงิดขัดเครืองข้อ 7. จัตตาอาวุโสเกณะนิพานังปาปุนันติสัตตาอาวุโสอาวุโสคู่มีอายุสัต สัตว์ทั้งหลายปาปุนันติย่อมถึงย่อมบรรลุนะถึงก็ได้บรรลุก็ได้ย่อมถึ ง, น, นะถ ง, น, ถงนิพพานังซึ่งนิพพานเกณะเพราะอะไรเพราะอะไรสัตว์ทั้งหลายถึงนิพพานเพราะอะไรคำตอบข้อ8สัตตาพันเตภาวนายะนิพพานังปาปุนันติ พันเตท่านผู้เจริญสัตตาสัตว์ทั้งหลายปาปูนันติย่อมถึงนิพพานซึ่งนิพพานภาวนายะเพราะการภาวนาเพราะการเจริญภาวนาคําว่าภาวนานี่แหละแปลว่าการเจริญแหละเราก็ทับศับสองทีว่าเพราะการเจริญภาวนา ภาวนาคือการเจริญการเจริญก็คือภาวนาก็แล้วแต่สมาธิ์ใส่ข้างหน้าแล้วแต่เพราะการเจริญซึ่งสมาธิ์พราะการเจริญซึ่งวิปัสสนาเพราะการเจริญซึ่งสติแล้วแต่ข้อ9เป็นคาถามาจากคุถะกนิกายสุตตนิบาตพระไตรปิฎกเล่มที่25ข้อ142หน้าหนึว่าณนะชัฏจาวัสะโลโหติ นาชจ่าโหติพรามโนกรรมุนาวสโลโหติกรรมุนาโหติพรามโนข้างบนเป็นคำปฏิเสธข้างล่างเป็นคำยืนยันเพราะว่าก่อนจะแปลคาถานี้ต้องเล่าก่อนละ่ะถ้าไม่เล่าก็ไม่รู้อะไรอีกที่เมืองสาวัตถีในสมัยที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ในพระเชตวัน ในกรุงสาวัตถีเนี่ยมีผู้คนมากเป็นแหล่งที่อุดมสมบูรณ์ด้วยข้าวปลาอาหารพอสมควรถือว่าสาวัตถีนี่เป็นอู่ข้าวอู่น้ําของแควนโกศลเลยทีเดียวที่สาวัตถีเนี่ยมีพราหมณ์ผู้หนึ่งไม่เลื่อมใสพระพุทธเจ้าไม่เลื่อมใสพระธรรมไม่เลื่อมใสพระอริยสงฆ์เลยบ้านก็ไม่ได้อยู่ไกลวัดอยู่ใกล้ๆวัดนั่นแหละแต่ไม่เคยเลื่อมใส ชื่อว่าอัคิกะพารทธวาชะพาวทราชะเป็นชื่อของโคตภารารทธวาชะเป็นชื่อโคตอัคิกะเป็นชื่อเขาแปลว่าพรามชอบบูชาไฟนั่นแหละอัคิกะ ภางรัทวาชะเขียนถูกไ้มภางรัทวาชะนี่เป็นนำสุตนะพางรัวาชะพางรัวาชะพราหมกคิกะพางรัวาชะ พางรัวาชะนะเป็นชื่อเป็นชื่อโคตเป็นนามสกุลทว่าไปแล้วชื่อว่าอาคิกะนามสกุลพางรัฐวาชเป็นพรามที่มีชื่อเสียงในกรุงสาวทีวันหนึ่งจะจัดงานมงคลพิธีในเขตบ้านตัวเองกําลังตั้งการพิธีบวงสวงเทวดามีแท่นบูชายันมีแกะมีแพะ อามาบูชายันเชา้าวันนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จออกจางริกบินธบาตพระพุทธเจ้าออกรับบินธบาตเดินออกทางหน้าวัดพระเชตวันเดินไปตามลำดับไปถึงบ้านอาักขิกลับพรามนี่แหละเห็นว่าอืมวันนี้เราจะโปรดพรามผู้นี้สักหน่อยพรามกำลังตั้งแท่นบูชายันอยู่พอดีเลย พอเหลือบมาที่ประตูหน้าบ้านเห็นพระผู้มีพระภาคอุ้มบาตรเดินเข้าไปตวาดแวดเลยเอ้ยสมณะลน้นตามบาลีเลยนะนี่สมณะลน้นเจ้าถอยมาทำไมทางนี้ไปทางอื่นด่าเจ้าถอยแล้วนะบ า, า, าลีว่าวัสโลวัสโลด่าพระพเจ้าวาสโลเจ้าคนถอยไปทางอื่นอย่ามาทางนี้ เรากาลังจะบูชายันอยู่มาทาไมทางนี้พระพุทธเจ้าก็เดินไปใกล้ๆพราหมณ์แล้วก็ถามว่าพราหมณ์ท่านรู้ท่านรู้หรือว่าใครเป็นคนถอยท่านรู้หรือว่าธรรมะข้อใดทำให้คนเป็นคนถอยพอถามพราหมณ์อย่างนี้พราหมณ์อาละวะที่เนี้ยเสร็จเสร็จเรว กำลังโกรธอยู่เพราะถามนี้ถามคืนเลยไม่รู้เอา้าถ้าท่านรู้ว่ามาสิเอา้าถ้าเราไปพูดอย่างนี้เขาถ้าเขาถามกลับก็แย่มันกันนะเราอะไปว่าเขาเขาย้อนกลับก็ตอบเขาไม่ถูกะมีพางรัตวราชาพามก็ถามว่าไม่รู้ไม่รู้คนเลวไม่รู้ทําให้ทําให้คนถึงคนเลวถ้าท่านรู้บอกมาสิพระพุทเจ้าเลยบอกซะยาวเหยียดอตมาก็จําไม่หมด ยกพระไตรปิฎกมาเลยเนีย่ยเอาไหมหเห็นกับตาเลยเนี่ยอ่านี่แหละวัสลัสูตรนี่เลยชื่อสูตรวัสลัสูตรเลยตั้งแต่คาถา116่ยสไปจนถึงคาถาหนึ อหนึ่ง้สดูนะพระพุทธเจ้าตรัสกับพรามว่าพรามคนมักโกรธชอบผูกอาคาตชอบลบหลู่ดูหมินเห็นผิดเป็นชอบมีมายาชื่อว่าเป็นคนเลวเป็นคนถอยนี่คาถาแรกนะคาถาต่อไปคนชอบเบียดเบียนสัตว์ทุกจำพวกในโลก ไม่มีความอินดูเพื่อนมนุษย์และสัตว์นี่แหละเป็นคนถอยยังไม่โดนพ ร, รมาม์เท <c oughs> ่าไหร่ไล่ไปเรื่อยไล่ไปเรื่อยคาถาที่สามผู้ชอบทําลายชีวิตผู้อื่นเที่ยวปร้นสะดมเป็นคนถอยคาถาที่สี่คนเที่ยวลักเล็กขโมยน้อยลักเอาของสิ่งที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ทั้งในบ้านและในป่า เป็นคนถอยเป็นคนเลวคาถาที่เท่าไหร่แล้วละ่ะที่สี่ที่สี่แล้วอาคาถาที่ห้าแล้วอ๋อคาถาที่ห้าต่อไปคาถาที่ห้าคนชอบกู้หนี้ยืมสินเข้ามาแล้วถูกทวงแล้วบอกว่าไม่ได้กู้ไม่ได้ยืมนี่แหละเป็นคนเลวคนถอยค<อ> <laughs> าถาที่หกคนดักวางดัก คนดักฆ่าดักทำร้ายคนเดินทางก็ตามชิงเอาทรัพย์สมบัติเข้ามาแม้เพียงเล็กน้อยชื่อว่าเป็นคนเลวคนถ่อยคาถาที่7คนถูกเขาอ้างเป็นพยานแล้วกล่าวคำเท็จให้การเท็จท่านบอกว่าเพราะตนเป็นเหตุก็ตามเพราะผู้อื่นเป็นเหตุก็ตามเพราะเห็นแก่ทรัพย์สินก็ตามนี่แหละชื่อว่าเป็นคนถ่อยคนเลว คาถาที่8คนประพฤติล่วงเกินภรรยาของญาติหรือของเพื่อนหรือของบุคคลอื่นชื่อว่าเป็นคนเลวเป็นคนถอยคาถาที่9ผู้สามารถเลี้ยงตนเองและผู้อื่นได้แต่ไม่เลี้ยงมารดาบิดาผู้ชรานี่แหละเป็นคนเลวเป็นคนถอยเลี้ยงตัวเองได้เลี้ยงคนอื่นได้แต่เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ไม่ได้เป็นคนเลว คาถาที่เก้าผู้ทุบตีดุดามานดาบิดาดุดาพี่น้องบุดุดาพ่อตาแม่ยายพ่อสามีแม่สามีนี่แหละเป็นคนถอยคนเลวค <c oughs> าถาที่สิบคนที่ถูกถามถึงสิ่งที่เป็นประโยชน์กลับบอกสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ พูดกลบเกลือนเพื่อปิดบังอำพรางนี่แหละคนเลวคนถอยคาถาสิบอ็ดคาถาสิบสองคนทำบาปกรรมไว้แล้วปราถนาว่าขออย่าให้ใครรู้เลยว่าเราทำบาป <c oughs> <c oughs> นี่แหละเป็นคนเลวคนถอยคาถาสิบสองคนไปบ้านคนอื่นเขาต้อนรับด้วยข้าวปลาอาหารที่หลับให้นอนเป็นอย่างดี พอเขามาบ้านตนบ้างกลับต้อนรับด้วยเข้าพาอาหารและที่หลับที่นอนไม่ดีนี่แหละเป็นคนถอยคนเลวคาถาสิบสามคนชอบกล่าวมุสาวาดหลอกลวงสมณะหลอกลวงพราหมหรือแม้กระทั่งว่านิพกยาจกเช่นขอตังค์บอกว่าไม่มีนี่แหละเป็นคนเลว <laughs> คนถอย <laughs> <laughs> มีไหมอ่ะ โอ้หลอกได้ไหมแต่วันนี้พบยาจบอ่ะนั่นแหละไม่ต้องหลอกอย่าไปโกหกเขาว่าไม่มีบอกว่ามีเอาไว้ทําบุญบอกอย่างนี้มีเอาไว้ไปทําบุญเนี่ยกำลังจะไปทําบุญอย่าบอกอุ๊ยไม่มีหรอก เอ้ามาถึงก็ทำซะเลยพูดเป็นประทานสมมติว่าตอนนี้เรามีเงินพกติดตัวมาสักพันหนึ่งเราตั้งใจจะทําบุญสักห้าสิบบาทเราก็พูดถึงห้าสบาทนั่นแหละดี๋ยวาไปพูดถึงอีก้าวรอยห้าสิบเพราะเขาขอเท่าไหร่ล่ะสมมติว่าเขาขอห้าบาท เราก็ตั้งใจว่าห้าบาทเนี่ยจะไปไว้ทําบุญก็บอกว่ามีจะเอาไปไว้ทําบุญห้าบาทเรามีอยู่ในกระเป๋าเป็นพันเป็นหมื่นกราช่างนะนั่นแหละ อ, อะแล้วทีนี้ยทีนี้ไม่ต้องหลอกเขาบอกเขาตรงๆเลยบอกว่ามีแต่ไม่ค่อยอยากจะให้จะได้ชัดชัดไปเลยเอะไม่บาป เล้าเราบอกตามความเป็นจริงเนี่ยไม่มุสาว่าเนี่ ย, ม, ย, ม, ยมีแต่ยังไม่อยากให้อออบอกว่าอุ้ยไม่มีอย่างนี้ก็มุสาว่าแล้วเลยมียังไม่อยากให้คนมาขอเราเขาไม่อายพูดหรอกคาพูดเขาแต่เราจะตอบเนี่ยอายเขา <c oughs> ที่หลังไม่ต้องอายหรอกบอกตามตรงเลยมีแต่ยังไม่อยากให้หรือไม่ก็พูดบอกว่า ถ้าคนยังไม่อยากให้เนี่ยไม่ให้จะได้ไหมถามเขาคืนดูสิเขาจะตอบว่ายังไงเขาต้องบอกไม่เป็นไรอ่ะเขาต้องบอกงนี้ใช่ไหมถ้าเขาพูดเราพูดแบบเกรงใจเขาเขาก็จะต้องตอบมาแบบเกรงใจเรามีอยู่ถ้ายังไม่อยากให้ยังไม่ให้ได้ไหมรับรองเขาต้องตอบว่าได้ครับได้อเดี๋ยววันพรุ่งนี้มันจะมาดักใหม่ แต่ไม่เป็นไรขออย่าให้เรากล่าวมูสาวาดเพราะเหตุแห่งว่าเสียดายเงินเท่านั้นอย่าอย่าไปใช้ไม่คุ้มกันเราพูดอะไรก็ได้ให้เขารู้ไปเลยว่าเราไม่มีเจตนาจะให้ไ ม, ไม่ตอบเลยก็ได้ไม่มูสาวาดอะไรอืเมื่อเช้าจะมาเดินไปลงพยาบาลเนี่ยสองคนเลยนึกว่าโยมเขามามาเคาะประตูด้วยนะขอเข้านะไม่ใช่ธรรมดานะเขาตุ๊กตก๊ก โยมมาละมั้งมีไปเปิดประตูเปิดมามีคนสองคนขอข้าวหน่อยครับวันนี้พระไม่ได้บินทบาท <class Liz: c oughs> บอกเลยวันนี้ไม่มีพระบินทบาร์ด <c oughs> แล้วบอกว่าไง ปกติประตูหน้าถ้าวันธรรมดาไม่ใช่เวลาเรียนนะประตูหน้าจะปิดเอาไว้แต่ทีโยมเขามาทำอาหารถวายเขาจะเปิดด้านนู้นไว้ก็บอกเขาว่าไงก็ได้ไม่เป็นคำโกหกใช้ได้ฟังต่อไปยังไม่จบเลยเนะี่ย คาถาที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้สิบสามต่อไปคาถาที่สิบสามเมื่อสมณะและพราหมณ์มาบิณฑบาตไม่ได้ถวายอาหารบิณฑบาตกับด่าว่าขับไล่เ <laughs> ข้าพราหมณ์แล้วเขาอาคีกับพราหมณ์แล้วอาคีกับพรามหมณ์บอกว่านี่แหละเรียกว่าคนเลวคนถอยในโลกนี้คนถูกโมหะครอบงำ อยากได้สิ่งของเล็กน้อยของคนอื่นพูดจาหลอกลวงเขาเพื่อให้ได้สิ่งนั้นมานี่แหละคนเลวคนถอยคาถาที่13บและ14คนชอบยกตนดูหมิ่นคนอื่นถือตัวจัดนี่แหละเป็นคนเลวคนถอยคนโหดร้ายมีจิตใจคับแคบปราถนาชั่วตรนีโออวดไม่มีหิริโอตะปะนี่แหละคนเลวคนถอย คนกล่าวไร้พระพุทธเจ้าหรือพระสาวกของพระพุทธเจ้าที่เป็นบรรพชิตหรือครึงหัดก็ตามนี่แหละคนเลวคนถอยคนไม่เป็นพระอาหารหันต์แต่ปฏิญญาว่าเป็นพระอาหารหันต์เป็นดุจโจรในมนุษย์โลกเทวโลกและพรหมโลกนี่แหละคนเลวคนถอยถือว่าต่าสามที่สุดประกาศ รับรองว่าตัวเองเป็นคำว่าปฏิญญาแปลว่ารับรองคนเรากล่าวค น, คนเราคนที่เรากล่าวมาทั้งหมดนี้แหละชื่อว่าคนเลวพรามแล้วก็บอกว่าท่านจงรู้ไว้เถิดว่าบุตรของคนจันทานชื่อว่ามาตังคะ ชอบกินเนื้อสุนนะต่อมานายมาตังคะได้รับยศศักดิ์เป็นใหญ่ทั้งกรัตัตย์และพามจำนวนมากมาสู่ที่บารุงของเขาเขาขึ้นยานอันประเสริฐเดินไปตามทางไม่มีฝุ่นละอองละกรมละ ก, าม ะ, กามะราคะได้แล้วไปเกิดบนพรมโลกชาติกำเนิดข้ามเขาไม่ให้เกิดในพรมโลกไม่ได้ห้ามไม่ให้เกิดในพรมโลกไม่ได้ พวกพราหมณ์ที่เกิดในตระกูลสาธยายมนมีหน้าที่ไล้มนแต่ปรากฏว่าพวกเขาทําบาปการรอยู่เป็นประจำพราหมณ์พวกนั้นถูกตําหนิในชาติปัจจุบันตายแล้วก็ต้องไปทุกขติชาติกำเนิดห้ามพวกเขาไม่ให้ตกไปสู่ทุขติไม่ได้เลยพราหมณ์ท่านจึงรู้เถิดว่าคาถานี้แลนะคนชื่อว่าเป็นคนเลวเพราะชาติกาเนิดก็หาไม่กมมุนาเอณชัจาวัสโลหติ จะเป็นคนเลวเพราะชาติกําเนิดก็หาไม่กำณชัชจาโหติพรามาโนจะเป็นพรามเพราะชาติกําเนิดก็หาไม่กำมุนาวัสโลโหติเป็นคนเลวเพราะการกระทำกำมุนาโหติพรามาโนเป็นพรามก็เพราะการกระทำเมื่อพระถถาคตตรัสอย่างนี้แล้วอคิกะพางรัฐววาชาพราม ก็ได้กราบทูลว่าข้าแต่ท่านพระโคดมพาสิทธิ์ของท่านช่างแพงระชัดเจนยิ่งนะักพาสิทธิ์ของท่านดีเหลือเกินข้าพเจ้ารู้สึกแจ่มแจ้งทุกประการแล้วท่านเป็นเหมือนบุคคลผู้ไายของที่คว่าเปิดของที่ผิดบอกทางแก่คนหลงทางตามประทีปไว้ในที่มืดด้วยตั้งใจว่าคนตาดีจะมองเห็นได้ข้าพระพุทธองค์ขอถึงพระ โดมพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสารณะขอพระโคโดมจงจำข้าพระเจ้าว่าเป็นอุบาสุอุบากพูดถึงสารณะตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปตลอดชีวิตจบวัสารสูตรโดนใครบ้างแล้วเมื่อกี้เสียดไปเสียดมาใช่ไหม <c oughs> เอาทีนี้ดูคาถานี้ณนะชัชจาวาสโรโหติโฮติแปลว่าย่อมมีย่อมเป็นวัสโรแปลว่าคนถ่อยแปลว่าคนเลวณนะก็แปลว่าไม่ณนะนี่ปฏิเสธโฮติว่าไม่เป็นชัชจามาจากนาวิพัตติยาชาตินาเป็นชัชจาเนี่ยแปลว่าเพราะชาติชาตินาชาติบวกนาอาเทศนาเป็นอาแล้วอาเทศอีเป็นยะ แล้วก็แต่ยะเป็นจะซ้อนจะเราเคยทํามาแล้วตั้งแต่สนธิไม่ใช่วิธีใหม่หรอกนะวิธีเดียวกับสนธิติเป็นจะนั่นแนหะนะชัดจาวัาสร โ, โหโติจะเป็นคนเลวเพราะชาติกําเนิดก็หาไม่พรามนโนโหโติก็เหมือนกันจะเป็นพรามณ์ชัดจาเพราะชาติกําเนิดณก็หาไม่ วัสโลโหโติเป็นคนเลวกรร ม, มุนาเพราะการกระทำโหโติพรามโนเป็นพรามกรร ม, มุนาเพราะการกระทำเดี๋ยวมาดูชัดจา ก, ก่อนชัดจามาจากชาติบวกนาวิพัฒน์มีการอาเทศนาวิพัฒเป็นสละอา นาเป็นอาชาติศับทับนี้เนี่ยเป็นอีธิลิงนะชาติศับเนี่ยถ้าชาติชาติยาชัดจานะนาเป็นอาพอนาเป็นอาแล้วก็เพราะสละอยู่ข้างหลังให้อาเทศติเป็นจะได้ใครอวยากรณ์มาบ้างลองเปิดดูซิในสนธิมีไหมติเป็นจ่าเทศติเป็นจ่า พยัญชนะในหน้ายี่สิบเอ็ดดูหน้ายี่สิบเอ็ดเห็นไหมข้อหนึ่งหน้ายี่สิบเอ็ดเพราะสะลาหลังอาเทศติ<า>เป็นจะแล้วซ้อนจะยังไงอิติเอวังก็เป็นอิจเจวังอิติอาทิก็เป็นอิจาทินะแบบเดียวกันทำวิธีนี้แหละเป็นพยัญชนะสนที่นี่แหละ เคยทำมาแล้วลืมแล้วพอติเป็นนาพ้อสะหลังอัติเป็นจ่าเมื่ออัติเป็นจ่าไม่ว่าที่ไหนนะมีการอัติเป็นจ่าจะต้องมีซ้อนจ่าทุกครั้งดังนั้นวยากรไทยจึงบอกทีเดียวเลยว่าอาเทศติเป็นจ่าจ่าคือซ้อนมาพร้อมเสร็จเลยไม่ต้องบอกว่าซ้อนใหม่อีกอาเทศติเป็นจ่าจ่าเลย เมื่อมีพยัญชนะสังโยคอยู่หลังคือจาจ า, จาเนี่ยก็จะอ่านว่าชาติจะาซึ่งมันผิดหลักวิธีอ่านนั้นเพราะสังโยคอยู่หลังนิยมให้รัศสาระหน้าเป็นรัศจึงรัศอาที่จะาจ่เป็นอะชาตจ่จึงเป็นชัดจะสละอาที่จ่ตัวหลังที่อาเทศมาจากติมีสละอาอยู่แล้วก็สละอาที่อาเทมาจากนาก็มีอานาไออา ดังนั้นเวลาอ่า น, น, านว่าชัดจาา่าชัดจ่าอาอยู่งั่นแหละยังไม่อ่านว่าชัดจาก็ต้องลบสลาหน้าที่จะแล้วก็นําไปประกอบกันเข้าเป็นชัดจาแปลว่าเพราะชาติเพราะชาติกําเนิดคนจะเป็นคนชั่วเพราะว่าเกิดมาเป็นลูกโจรก็ไม่ได้ก็ไม่ใช่คนจะเป็นคนดีเพราะเกิดมาเป็นลูกมหาบัณฑิตก็ไม่ใช่ดังนั้นเมื่อเกิดมาแล้วทําดี ก็เป็นคนดีทำชั่วก็เป็นคนชั่วจะเป็นลูกใครก็ตามดังนั้นในพระไตรปิฎกเมื่อกี้พระพุทธเจ้าอ้างถึงคนสองคนหนึ่งนายมาตังคะนายมาตังคะเนี่ยนะเป็นลูกคนจันทานวันนะจันทานคนจันทานเขาว่าจันทานก็คือสองวันณนะสองวันณะมาแต่งงานกันลูกที่เกิดมาเป็นลูกครึ่งวันนะถือว่าเป็นจันทานถูกดูถูกดูหมิ่นมาก แล้วก็คนจันทานเนี่ยเขาถือว่าเป็นคนที่ชอบกินเนื้อหมาถือว่าเป็นคนที่ไปไหนมาไหนเขาก็ดูถูกดูหมิ่นว่าเป็นคนชั้นต่ำแต่ว่านายมาตังคะเนี่ยดิ้นรนจนได้เป็นมหาอมาัมมัดจนได้เป็นมหาอมาัมมัดมีความรู้มีความสามารถเป็นมหาอมาัมมตแต่สุดท้ายก็ออกบวชออกบวชออกบวชแล้วก็ตายไปก็ได้ไปเกิดบนพรมโลกส่วนพวกพราม ลทัทธิหนึ่งบอกว่าตัวเองเป็นพรามพรามพรามแต่ว่าหลอกลวงเขานะทำแต่บาปแต่กรรมแล้วก็บอกว่าตัวเองเป็นพรามปุยเจ้าอ้างถึงคนสองคนมาเปรียบเทียบันั้ น, น, นก็บอกพรามพวกนี้ว่าท่านมาว่าขพเจ้าเป็นคนเลวเนี่ยนะท่านยังไม่รู้จักเลยว่าใครเป็นคนเลวคนเลวมีลักษณะเป็นอย่างไรยังไม่รู้พอพระพุทธองค์ได้ตรัลสลักษณะของคนเลว ทุกอย่างอคิการพราหมณนี่อู้ยู้จริงรู้จริงยอมรับยอมรับก็เลยถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะเลยครับหลังจากนั้นมถึงพุทธเจ้าเป็นสรณะแล้วต้องมาวัดฟังธรรมเป็นประจำเลิกทาพิธีกรรมแบบนั้นและอ้าวเขียนคำแปลคาถาจะเป็นตอนตอนไปมีสตอนนะนชัดเจ้าสโลโหติ จะเป็นคนเลวเพราะชาติกําเนิดก็หาไม่จะเป็นคนเลวเพราะชาติกําเนิดก็หาไม่บา ท, ที่2ก็ณชัดจ่าโหติพรามโนจะเป็นพราม์เพราะชาติกําเนิดก็หาไม่จะเป็นพราม์ วัสโลถือว่าเป็นคนต่ำสุดส่วนพรามะณะถือว่าเป็นคนสูงสุดในคาความหมายของคำจะเป็นพรามเพราะชาติกาเนิดก็หาไม่บา ท, ที่3มกัมมุนาวัสโลโหโติจะเป็นคนเลวเพราะการกระทาจะเป็นคนเลวเพราะการกระทาบาด ท, ที่4กัมมุนาหโหติพรามโน จะเป็นพรามเพราะการกระทําทําดีเป็นพรามทาชั่วเป็นวัสโลวสัสละแปลว่าคนต่ําคนถอยคนชั้นต่านั้นเวลาใครเขาเรียกวสัวสละวัสละนะในยุคนั้นนี่ถือว่าเป็นคนที่แย่สุ ด, สดเลยไม่ใช่เป็นโจร น, นะคำว่าวัสละเป็นคนที่ไม่มีคุณธรรมอะไรเลยเป็นคน คนชั้นต่ำคนถอยคนเสื่อมแต่ว่าถ้าผูเจ้าบอกว่าวัสระวัสระว่ามาตั้งหลายคาถ า, าเนี่ยโดนเราเป็นแถวแถวอะ่ะมูสาวาทแม้แต่ขอทานอะไรอย่างเงี้ยโกหกแม้แต่ขอทานโกหกว่า น, นี้พกยาจกนั่นแหละต่อต่อไปใช้โวหาร นะใช้โวโหหารให้เป็นกัปปิยะวโหหารอย่าให้มันเป็นมุสาวาตครั บ, รบตามที่อ้างมานี่แหละนะเอาละทีนี้กลับมาแปลไล่มาแปลตั้งแต่ข้อหนึ่ง อ, อ่านไปแปลไปตวงอาวุโสเกณะวะสีผู้มีอายุท่านอยู่ได้เพราะอะไร อาหางพันเตอนเนนวสามิผู้มีผู้เจริญข้าพเจ้าอยู่ได้เพราะข้าวตวังอาวุโสเกณะโภคังละภาษีผู้มีอายุท่านได้โภคะสมบัติเพราะอะไรอาหางพันเตพาเนะโภคังละภามิ ท่านผู้จเริญข้าพเจ้าได้โพขะสมบัติเพราะการให้ทานมนุษษาอาวุโสเกณะสุ ข, ขังละพันติผู้มีอายุมนุษย์ทั้งหลายย่อมได้ความสุขเพราะอังไร มนุสาพันเตสีเลนสุ ข, ขังละพันติท่านผู้จังเริญนมนุษย์ทั้งหลายย่อมได้ซึ่งความสุขเพราะศีลสัสาตาอาวุโสเกณะนิพพ า, านปาปุนันติผู้มีอายุสัตว์ทั้งหลายย่อมถึงนิพพานเพราะอังไร สัตตาพันเตภาวนายะนิพพา น, นปาปุนันติพันเตท่านผูงเกริญสัตว์ทั้งหลายย่อมถึงซึ่งนิพพานเพราะการจเจริญภาวนานาัจจาวสัสโรโหตินัจจาโหติพรามโนกัมมุนาวสัสโลโหติ กมมุนาโหติพรามโนนาชาตัตจาวาสโลโหติจะเป็นคนถอยเพราะชาติกำเนิดก็หาไม่นาชาตัตจ า, าโหติพรโหโิจะเป็นพรามเพราะชาติกำเนิดก็หาไม่ต ม, มุนาวาสโลโหติ จะเป็นคนเลวเพราะการกระทําครมมุนาโหติพรามะโนจะเป็นพราหมณ์เพราะการกระทำอืมเอาละสงสัยคําไหนให้ติ๊กๆไว้ติ๊ ก, กไว้หรือยังสงสัยคําไหนถามคํานั้นอย่างปาปุนันติอย่างเนี้ยรู้ไหมว่าธาตุอะไร ธาตุอะไรปาุติมีเยอะนะในพระไตรปิฎกนะปลาวุันติปาปุณณติเมื่อฟังทำแล้วคนเป็นจำนวนมากบรรลุพระโสดาบันเป็นต้นอะไรอย่างเงี้ยจะมีอยู่บ่อยๆในพระไตรปิฎกธาตุอะไรปูนปาปุันติเอาแยกหน่อยปาบทหน้าอปะปุนาปลาบนหน้าปลบทหน้า ปะบทหน้าอะไรต่อไปปะบทหน้าแล้วก็ฮะอุปะปุปะหรือปะปะบทหน้าอะปะธาตอะปะในอัดว่าปาปุนหน้าเนอะปะปาปุนหน้าเนต้องเปิดดูคำพีธาตุซิมีไหมอะปะธาตุอ่ะปะปะปุ่นหน้าเน ตอนนี้เราเป็นผู้คงแก่เรียนมีตำรายเยอะเปิดพูดถึงตำราไหนเปิดให้เห็นกับตาเอาเปิดแล้วจะหายสงสัยนะถ้าฟังเฉยสงสัยอยู่นั่นแหละเล่มธาตุโยงเล่มธาตุเล็กๆมีไม้ยอปาปาธาตุอาจว่าอปาปาปาปูน่าเน อ, อ, อ่างต้องขึ้นต้น ถ้าภาษาบาลี อ, อ่างต้องขึ้นต้นอออีอี A e e, ะงังไงหน้าไหนยอมบอกหน่อยหน้า50อ้าวเปิดหน้า50อ้าปลาปลาปูาน้ปปานเมปปานเ ม, มีไหมมีคาว่าปลาปูนาติปลาปุนันติ e อะไรนะ นั่นแหละดัง น, นั้นรูปกิริยาว่าปาปุนันติเข้ามาจากปะบทหนา้าปาเป็นอุปสรปปปสครคถ้าบอกว่าบทหน้าคือเป็นอุปสรรคละ่ละปะบทหน้าลแล้วก็บวกอปาปาปูนานเนบวกอุนาปัจจัยบวกอันติวิพัตอปะบวกอุน า, บ, าบวกอันติสวาทิโตนูนาอุนาจ่ะไง เป็นสวาธีคณะธาตุลงนุลงนาและลงอุณาปัจจัยปะบวกอปะบวกอุณาบวกอันติคำไหนอีกคำไหนอีกถามมาสงสัยคำไหนาถามคำนั้ น, นบางทีไม่สงสัยหรอกถ้าไม่เข้าใจคำไหนเลยอะ่<ล>ะบอกมาเลยอ๋อละพันติก็เป็นละพธาธาธรรมดานี่เอง ละพธาตุบวกบวกอันตินี่ธรรมดาเนี่ยละพลาเพในการได้ละพบวกอะบวกอันติละพอันติอะในเป็นภูวาที่เละไม่มี อ่ะไม่มีจุดอ่ะมันเป็นสละอยู่แล้วใส่จุดไม่ได้จุดทั้งใต้ก็แสดงความไม่มีสละอ่ะมันเป็นสละอยู่แล้ว้าใส่จุดก็คือไม่มีอ่ะเลยบทไหนอีกถามเอาให้กระแจงให้กระแจมแจ้งไปเลย ก็วสาธาธรรมดานี่แหละอันเนี้ยไม่ไม่ไม่ยากอันเนี้ยวสาธาธรรมดานี่เองวสานิวาเสในการอยู่เ<ส>นียถ้าจะเขียนแยกธาตุปัจจัยเนี่ยมันมีสับควรรู้อยู่ข้างล่างคาถาเนี่ยอยู่แต่ละข้อเนี่ย<ส>ก็วงเล็บบอกเอาไว้ในศัพบเนี่ย ปาปุณัติย่อมถึงอยู่ในแล้วก็วงเล็บไว้ว่าปาบวกอปาบวกอูนาบวกอันติเคนี้ครับเขียนไวตัวที่สับที่สับสับสับตรงนี้เลยนะจะได้หาง่ายๆบวกอูนา เป็นกัตตุธรรมดากัตตุเหตุกรรมถ้าเป็นเหตุกรรมใช่ไหมถ้าเป็นเหตุกรรมก็เป็นปาปนียเตปาปนียเตเอาละดูต่อไปหืม วัตสติ็เป็นติวิพัฒน์นี่แหละในวสติอยู่ไหนอะ๋อในคําเดียวกันอันนี้แจกให้ดูว่าไอตัววัตสิวัสามิอะไรเนี่ยมันก็คือวัสตินลก็ไล่ไล่ไปวัสติวสันติวัสีวัตถาวสามิวสามะอันนี้เห็นธาตุเห็นวิพัตน์ชัดๆไม่ไม่ไม่เปลี่ยนแปลงรูปก็จะดูง่าย แล้วก็ลองเดาดูก็ได้มันแปลงไปล้วก็ลองเดาดูเอ๊ะมันธาตุอะไรปัจจัยอะไรค่อยมาไล่เปิดหาดูเอ๊ะไม่มีแสดงว่าไม่ใช่หาธาตุใหม่ทำไมเลยง่วงหลับแล้วเลย เอาลดูต่อไปไม่มีที่ต่อของโยงมอ่ะดูต่อไปมาดูภาคภาษาไทยเป็นภาษาบาลีข้อหนึ่งแม่ท่านผู้มีอายุท่านย่อมหงซึ่งข้าวเพราะเหตุอะไรแม่ท่านผู้มีอายุว่าอย่างไงอาวุโสท่านละ่ะตะวังย่อมหงษละ่ ะ, ะ, ะอ่า ต้องให้ตรงนะตะวังต้องปจัจจสิยอมหงซึ่งข้าวละ่ะโอทนานังเพราะเหตุอะไรละนะ่ะอ่าทีนี้เรียงประโยคให้ถู ก, ต ะ, กนะะตะวังอาวุโสเกนะโอทนานังปจัจจสิเอาเขียนเนียตะวังอาวุโสเกณะโอทนานังปัจจสิ ป จ, จสข้อสองข้าพเจ้าย่อมอยู่เพราะข้าวหามีได้อ่หังอ่หังเพราะข้าวเพราะข้าอันเนนะย่อมอยู่าหามีได้อ่นะ ก็เขียนว่านาหังเข้าสนที่เลยนาหังอันเนนะวสามินาหังอันเนนะนาหังก็เนี่ยณกับอาหางนี่แหละคือนาหังแหละอ่ะเป็นต้นเลยนาหังเลยเราเก่งแล้วเราทาสนที่ได้เลยอันเนนะ วะสาินาหังอนเนนะวะสามิข้อสสัตว์ทั้งหลายย่อมได้ซึ่งอะไรเพราะทานสัตสตาย่อมได้ล ะ, ละพันติซึ่งอะไระซึ่งอะไรซึ่งอะไร กังเพราะทานก็ทานเนนะกังก็ได้กิงก็ได้นะถ้ากังเป็นปุงลิงถ้ากิงเป็นนปุงสกัลิงสตาทานเนนะกังวงเล็บว่ากิงกังวงเล็บว่ากิงแล้วก็ละพันติ ก<ำ>ัมกัมจะไม่อยู่หน้า <ละ S 1> ถ้าเกณฑ์หนะอยู่ได้ละพันติสัตว์ทั้งหลายก็ต้องละพันติสัตตาก็ต้องละพันติพวหูพคตรตามกันสัต้าอันเนนะกังแล้วก็กิง้งกังอันธานนะแถนีนะสต้าธาเนานะกังวงเล็บว่ากิงละพันติ ใช้กังก็ได้ใช้กิ่งก็ได้นะถ้ากังคือปุงลิงถ้ากิ่งคือนะ้ำปงสกาลิงแล้วได้อะไรล่ะคําตอบไม่มีได้อะไร อ, อะไรบ้างได้อะไรบ้าง<อ>ให้ทานได้อะไรบ้าง ให้ทานด้วยตนเองไม่ชักชวนคนอื่นได้เฉพาะโคลคสมบัติไม่ได้บริวาสมบัติได้อะไรเพราะให้ทานได้อะไรได้โคลได้สมบัติเท่านี้เหรอสวรรค์ไม่ได้เหรออ่าให้ทานได้ผลสองอย่างหนึ่งโคลคสมบัติและสวรรค์สมบัติอืแล้วก็ต้องตอบว่าโคังจะ สักครั้งจะแล้วก็ท่าจะตอบว่าสตตาทาเนนะโคครังจะสักครังจะแล้วก็ละพันติได้สวรรค์ได้ได้สมบัติและสวรรค์ได้โคสมบัติและสวรรค์สมบัติละพันติย่อมได้สัตาทาเนนะโคครั้งจะสักครั้งจะ ไม่มีไม่มีอันนี้ถามแล้วก็บอกให้เฉยละพันติย่อมได้ซึ่งโพคัสซับได้ซึ่งโพคสมบัติและสวรรค์สมบัติเพราะให้ทานโพคังจะสักครั้งจะเขียนคาไหนไม่ถูกเขียนสักครั้งไม่ถูกเหรอสักครั้งนะไม่ใช่สังคังนะ <laughs> 又<笑>待三场。